อนาปฏิวันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือข้อ677 1. นภิกษุณีไม่จงใจ2อภิกษุณีไม่มีสติ3าภิกษุณีผู้ไม่รู้ 4. ีภิกษุณีผู้ไม่ยินดี5้ภิกษุณีวิกฤตจริต6กภิกษุณีจิตฟุ้งซ่านเจ็ดภิกษุณีกระสับกระส่ายเพราะเวทนา8ปภิกษุณีต้นบัญยัติปาราชิกสิกขาบทที่4จบ